จิที่มีสติเนี่ยเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้ไปเกิดกิเลสแต่ยังไม่มีกําลังมากพอที่จะให้เกิดปัญญานั้นต้องประกอบด้วยสมาธิด้วยสมาธิไม่ใช่เพ่งเอาไว้อยู่กับที่นานๆแบบที่เราเข้าใจแบบเดิมๆสมาธิหมายถึงจิต ท, ที่ตั้งมั่นตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่จิตตอนที่จิตมันเคลื่อนจิตไม่ตั้งมั่นตอนเห็นมันเคลื่อนเห็นจิตพอดีตั้งมั่นพอดีมันตั้งอยู่ที่จิตพอดีตอนนั้นไม่เคลื่อนรู้ว่าจิตมันเคลื่อน ตรงนี้นะมันเป็นวิธีที่เรานึกไม่ถึงเหมือนวิธีเจริญสติเป็นวิธีที่นึกไม่ถึงแค่รู้ว่ามันไม่มีสติเมื่อกี้นี้ได้สติพอดีนะรู้ว่าจิตตั้งมั่นอย่าไปทำความตั้งมั่นรู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นพอดีนี่นะรู้ว่าตัวเองไม่ดีตอนนั้นดีถ้าเห็นว่าตัวเองดีตอนนั้นยังไม่แน่นะ <laughs> ใช่ไหม เราอาจจะเห็นว่าตัวเองดีแต่คนอื่นในห้องนี้ทั้งหมดสายหน้าเห็นว่าตัวเองดีแล้วเกิดความภูมิใจเกิดถือตัวเห็นความถือตัวเงินใช้ได้เพราะความถือตัวเป็นกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่ามานะเห็นมานะใช้ได้เราเริ่มฝึกฝึกไปเนี่ยนะพอเริ่ม